แดดแรงทั้งภายนอกและภายในแดดแรงภายนอกก็เป็นเขตทะเลทรายแดดแรงภายในก็เป็นเขตอะไรคาสินโนนะเป็นเขตคาสินโนนั่นอ่ะมันเผาทั้งกายทั้งใจเพราะนั้นถึงบอ่าเอามาก็ปลูกต้นไม้ไม่ใช่ปลูกต้นไม้ข้างในอย่ปลูกต้นไม้ข้างนอกดอ้วยเนี่ยที่วัดป่าเนี่ยเขาเรียกว่าวัดป่าเพราะว่าปลูกต้นไม้เยอะปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายดังนะ้วก็ไม่ทอปลูกเยอะนะปัจจุบันก็ปลูกซ้ำปลูกซ้อนปลูกแซมปลูก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 ต้องออกไปดูที่ต่างๆในอเมริกาไปจัดที่หลายๆแห่งสิบกนนว่าปีมื่อนี้ว่าจะอยู่ที่เวกัสอย่างเดียวนะแต่ว่าใน10บกว่าปีมาเนี่มาเขาไปอยู่ประจําตลอดนะมาเขาไปเมืองไทยสักหเดือนมาที่นี่สักหเดือนไปมาเนี่ยช่วยเมืองไทยครึ่งหนึ่งช่วยที่นี่ครึ่งหนึ่งเพราะเราจะไม่ลืมแผ่นดินถิ่นเกิดของเรามันจะช่วยดีทีห่างยังไงก็ต้องช่วยนะแต่ว่ามาเพื่อมาเอาสิ่งที่ดีที่นีไปให้ที่นู่น และเอาสิ่งที่ดีที่นุ่นมาให้ที่นี่แลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแล้ ว, ลวทำมาธุดเป็นทูดแห่งการที่จะเอาแต่สิ่งที่ดีที่ประเสริฐไปเปลี่ยนกันอัน mm hmm. นั้นเองเอามาก็ทำอยู่เนี้ยมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งว่าเมื่อพระอาจารย์หาปรสันหรือพระครูปิยะของเราเนี่ยได้ไปศึกษาวิธีนี้แบบที่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 พระอาจารย์พดครูท่านก็ได้พาทมอยู่แล้วแต่ที่ราชเวกัสก็ยังไม่เข้มข้นขนาดนี้นะเพราะอะไรทุกครั้งเมื่อท่านจะพาโยมกราบแล้วก็โยมจะพากันกราบขึ้นด้วยคาว่าอะไรต้องขึ้นด้วยคาว่าอะไรเสมอรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นอีกหลายคำนะ รู้สึกอะไรนะอาจารย์ว่าจำไม่ได้รู้สึกตัวแล้วก็รู้ตัวให้หมดแล้วก็หมดตัวเอะไรหมดกแค่ระวังให้ดีเหมือนกันนะระวังหมดตัวนะรู้รอบตัวรู้จนหมดตัวเนี่ยคือคำหลังนี่สักวัดเสียมันกันนะหมดกระเป๋าก็แน่ลืมเปลสร้างวัดกันจนหัวเนี่ยหมดจ้วงกันคําหลังนี่ฟังให้ดีแล้วกันนะโยมฟังแล้วจะเกาหัวแอย่างไรกันแน่นี่ หมดตัวหมดตนหมดอาตาตัตตาโจโจรนะไม่ใช่หมดตัวแบบที่ว่ากันนะดังนั้นที่ว่าเข้มข้นคืออย่างนี้ท่านจะมีคํานําเรื่องนี้เสมอซึ่งที่วัดอื่นถ้าหากจะไปพูดอย่างนี้เขาคงจะหลิวตาใส่กันเรื่ยกันนะแต่ว่าท่านก็ใช้ที่นี่เป็นเป็นร่ำเป็นสันวัดราชสุวิกาตอมารถึงนลวงเท่ทเกือบยี่สิปียังไม่กล้าใช้เลยนะแต่ท่านกล้าใช้เนี่ยอมารถบเออท่านเรียกว่าเรียกเป็นแฟนพันธ์แท้อีกคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นญาติโยมทั้งหลาย มีโอกาสได้มาเจริญสติหลายท่านเป็นนักเรียนเก่าที่นี่แล้วแต่ว่าอย่างที่ว่านะันมันยังไม่หายหิวก็ต้องมากินกันอีกนะมันหิวปีหนึ่งทำไมจึงกล่าวว่าใจใจใ จ, ใจเราหิวเพราะว่ามันอยากร่างกายหิวเราไม่ได้อยากกินอาหารเอาแค่กหิวอาหารแต่เวลาเราจะไปไหนเราอยากลุกอยากนั่งอยากนอนอยากพัก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 เป็นธรรมเราหายรู้สึกก่อนแล้วก็เดินแต่อยากเดินเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะอยากเดินมันไปนเพราะอยากเดินแสดงว่ามันมีเป้าหมายจะไปแล้วใจมาอยู่ที่เป้าหมายแล้วก็ลุกไปนี่เรียกว่าอยากคือถ้าคําว่าอยากเนี่ยใจมันไปก่อนแต่แล้วว่าหิวหรือรู้สึกเนี่ยใจมันมาอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นรู้สึกแล้วก็ไปรู้สึกอยากไปรู้สึกจะ ก, ก่อนแล้วก็อยาก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 ท่านออกแสวงหาตั้งแต่อายุ29่สเก้าปีท่านก็เสียเวลาตั้ง6ปีท่านถึงเจอนะเจอเรื่องนี้ท่านก็แสวงหาเต็มที่อุตสาสละบ้านเรือนชาญบ้านช่องอาบาสัดราชวังคร อ, อบครัวลูกเมียพ่อแม่อาณาจักรให้สละทั้งหมดแต่เราไม่ถึงสละขนาดนั้นทําไมเราจะทําไม่ได้นะแล้วเราก็โชคดีตรงที่ว่า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 พระพุทธเจ้าเพียงแต่มาเปิดดวงตาของเราเท่านั้นเองไม่ได้มาใส่สิ่งนี้ให้แก่เราไม่ได้ไม่ใส่ภาวะรู้คิดรู้ทำรู้ตื่นรู้ตัวรู้ไปรู้มาเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเขาเรียกวความรู้แบบหลับตาหรือสัญชาตญาณเราจะทําอะไรก็ทําไปตามนั้นเราจะคิดอะไรคิดไปตามนั้นโดยที่เราไม่มีการตรวจสอบทบทวนเสียก่อนในสิ่งที่เรารู้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 ความรู้สึกต้องการที่อยู่อาศัยสความต้องการรู้สึกต้องการหนีภัยอ่าสต้องการสืบพันธุ์นีสีอย่างเสมอกันหมดดังนั้นเองเราจะต้องหาอีกตัวหนึ่งที่เราจะสูงกว่ามันหาตัวที่ดีแหละคือตัวที่เหนือสัญชตาตญาณอะไรคือเหนือสัญชตาตญาณก็คือรู้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 เข้าไปใช้ความรู้สึกเหล่านี้เปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นได้ไหมเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนความรู้สึกที่ว่ามันความรู้สึกที่ว่ามาทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เป็นายสัญชาติญาณที่มันมีอยู่แล้วทุกคนแล้วก็ถ้าหากว่าเราปวดเราเมื่อยเราทำไงเราก็บำบัดการบำบัดมีสองอย่างสมมุติเรานั่งแล้วก็ไม่สบายเราก็ขยับใช่ไหม ขยับเปลี่ยนท้ายเปลี่ยนขวอเปลี่ยนหน้าเป็นเหลี่ยม เ, เปลี่ยนหลังยืนยืนเดินนั่งลักษณะที่เรายืนเดินนั่งนอนโดยที่ตามความอยากถือว่าเป็นกรรมบังบัตเป็นสัญชาตญาณหรือเป็นตัวรู้สึกตัวถ้าเจตนาก่อนที่เราจะเปลี่ยนนะี่นะก่อนที่เราจะลุกหน่อยเจตนาที่จะปรับพบเห็นว่าความหนั ก, นกที่เรา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 ใช่ไหมมันก็เบื่อมันก็ลุกหนีได้เหมือนกันมันก็บอมบัดน้ำมันเหมือนกันนะนกมันเกาะกับที่มันก็ไปก่อที่เดียวมันก็บินไปที่อื่นมันก็เบื่อเหมือนกันมันก็อ่าเมื่อยเหมือนกันก็บินไปทั้งอื่นชั้นใดก็ดีการที่เราอ่าไม่สบายกายไม่สบายใจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยากไปโน่นอยากไปนี่โดยที่เราไม่รู้สึกตัวนั่นเองเขาเรียกวเป็นสัญชาตญาณแต่ความรู้สึกเดียวกันนี่เองถ้าเราเข้าไปปรับไปเปลี่ยนไป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 เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะเพราะใจสูงเหมือนอย่างยูมีดีที่แววขนหากใจต่ำฟังตัว น, นี้นะหากใจต่ำก็เป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบใครมีครบควรเรียบมนุษย์าเพราะพูดถูกทําถูกคิดถูกทุกเวลา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 ภาษาไทยออกนะนะแล้วคนคึบเอามาบ้านเราเขาเรียกว่าโซเลกันนะเอามาคนกันเหมือนเราคนนั้นคนให้มันเข้ากันคนไปคนมาอันนั้นเทียนี่คนเข้ากันให้มันเข้ากันอเพราะฉะนั้นคนนี่คนหลายหลอย่างเหมือนโยมจะทําขนมสักอย่างโยมก็นําน้ําตาลน้ำแป้งน้ำกะทิอะไรต่างๆมามาูนกันคนคนให้เข้ากันเพื่อมันใช้ได้นะเหมือนกันที่เราอยู่ด้วยกันมันคนด้วยหลายอย่าง คุณเรยของอย่างน้อยของแปดอย่างมาคนด้วยกันของแปดอย่างเขาเรียกลกกระทั่มแปดจำได้ไหมที่สี่อย่างไฟดีนะายที่เราต้องการทุกคนน่ะมีใครบ้างที่ไม่ต้องการเสียงนี่แต่สี่อย่างนี้มันจะต้องตามมาสุกต้องตามมาด้วยอะไรตามไมา่ทุกแล้วก็ลาบคือได้ลาบได้ของมาเนี่ยตามด้วยความเสื่อมไปสิ้นไปหายไปยศได้มาก็เสื่อมยศไปสเสนเสริญได้มาก็ ดินทาได้เน้นปนกันแปดอย่างเนี่ยปนกันไปปนมาเขาเรียกว่าคนแต่คนไหนได้สุกมาแล้วไปได้สุกเสื่อมไปก็ไม่ได้ทุกด้วยนี่เขาเรียกเป็นมนุษย์แล้วไม่ใช่คนละได้ยศมาแล้วถึงยศหายไปได้ยศมาได้ผู้ใหญ่บ้านได้กำนันมาได้ตำรวจมาได้ทหารมาเป็นนางพยาบาลเป็นหมอไปเขาลิฟคืนเขายึดขึ้นตำแหน่งนั้นไปคนนี้ก็ไม่ทุกเลยเฉยๆหม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นคนนี้ก็ไม่ใช่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 น่ารื่นเวลาเขาสเสนอเสื่อว่าหน่ารื่นแต่เวลาเขานินทามาเป็นไงหน่ารวยนะฮะน่ า, น า, น า, นา ไ, มไม่รื่นเหมือนเดิมน่ารวยร่วงรวยเลย น, น, นี่เขาเรียกว่ามนุษย์คือหมายความว่ามีสลับกันอยู่อย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมดกมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีนินทาเสนอเสื่อนี่คุณก็แต่ถ้าหากว่าใครไม่มีส่วนตรงกันข้ามมีสุขมีเสนรเสริญมีลาบมียศแล้ว ก็ไม่หลงและขณะเดียวเวลามันเสื่อมไปก็ไม่ทุกข์ด้วยนี่ขเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ละ่ะจิตใจก็จะ ส, สว่างจิตใจก็จะสะอาดแต่พวกเราทั้งหลายในที่นี้ใครว่างที่เป็นมนุษย์ยกมือขึ้นอเมริกายกแต่ถามว่าใครเป็นคนก็ไม่กล้ายกมือเหมือนกะันนะต้องถามว่าเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นเป็นคนกี่เปอร์เซ็นนี่อาจจะมีมีส่วนอยู่เหมือนกันนะนะเพราะนั้นอันนี้คือเป็นเครื่องตัดสินนะ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 มาพบนาบุญนาเนื้อนาบุญ น, นั่นดีอมาก็เนื้อนาบุญทั้งดีทั้งภายนอกภายในเนาะป่าก็น่า <c oughs> น่านก็ลมลื่นนะลมลื่ น, น, น, ลลนแล้วก็นึกถึงสมัยแรกที่มาเปิดอารมณ์นั้นเราอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็รมลื่นหน้านัน้นก็เป็นเดือนเดือนมีนาเมษาพฤษภานะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าปีนี้เดือนเมษาพฤษภาชีวิตถ้ามีก็ต้องบอกใจเนิ่นๆจะได้แวะมาถ้าไม่มีอะ า, าก็ข้ามไป วิกีท่านพุทครูพูดผิดไปว่าที่ข้ามไปฝรั่งเศสไม่ได้ข้ามตอนนี้ได้ข้ามเที่ยวเดือนเมย์ฝรั่งเศสตอนนี้ไปไม่ได้หนาวกว่าที่นี่อีกนะ <c oughs> จัดไม่ได้ต้องไปจั ด, ดนู <c oughs> ่นเดือนซัมเมอร์เดือนเมย์เดือนจูนมักจะไปในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็จะถามท่านว่าในถ้ามีในช่วงเดือนเมย์ก็ต้องมีช่วงต้นๆหนึสนะเพราะในช่วง 10-20 นั่นก็เป็นของยูทาห์ยี่สิามสิบเป็นของเชียกาโก้ที่นี้เดือนจูนทั้งเดือนก็จะเป็นของทางยุโรป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 เราเข้าวัดมาเนี่ยเราต้องการเอาศรัท ธ, ธาของเรามาหวานแล้วตรงนี้เป็นเนื้อนาบุญเอามาหวานแล้วอาจารย์ พ, พ่อครูท่านก็ค่ อ, คอยไถย่ยคอยพลวนอยู่เรื่อยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ถตังนะไถกิเลสโยมออกเดี๋ยวเจ้าฮาถตังโยงนะถ่ายกิเลสโยมออกโดยการบอกอะไรทให้รู้สิบตัวตให้ก็ทำํำก็วิธีการของท่านนะโดยวิธีการต่างๆ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 พอโมรโมมาตั้งเกือบสามปีแล้วกัจจุบัยังไม่ไมนอนุญาตให้ทําเลยเมื่อรู้ว่าปีใหม่นี้ว่าจะให้ลงมือทํามันรู้จะได้ทําหรือเปล่านะแต่ที่นี่เริ่มต้นถ้าว่าไปทีหลังได้วยซ้ำไปก็ออยังขึ้นมาก่อนเพราะที่นี้เป็นเนื้อนาบุญอันดีปลูกแล้วโตไวนะแต่ที่ราตเวกยดัตยังไงเพราะมันเป็นทะเลทรายปลูกแล้วโตยากหรือทํำท่าจะตายนะทำท่าจะตายอยู่เรื่อยนะแต่ที่นี้เนื้อนาบุญดีปลูกเท่าไหร่ก็ น, นะฮะผูกขึ้นมาถึง3มชั้นแล้วเนี่ยท่านบอกโอ้ไม่เอาลราเข็ดแล้วไม่อยากจะทําต่อเออเดี๋ยวหายเข็ดจนได้นะฮะอีกสักสองสปีเอาสอปีหาเรื่องทําใหม่อยู่ดีนะเข็ดได้ไม่นานาเรื่องนี้เนะพราะอะไเป็นวิบากกรรมนะฮทำมาแล้วก็ต้องมีวิบากนะฮะไม่หมดวิบากง่า ย, ายๆเราเล่นอะไรนี่นะวิบากกรรมวิบากบุญนะมาด้วยกันดังนั้นเองเราทั้งหลายก็เมื่อได้เนื้อนาบุญอันดีแล้วก็ช่วยกันบํารุง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 เพเหตุไรวัดนี it ้จึงได้ชื่อว่าเป็นวัดมหาชนกรู้ไหมรู้ที่ไปที่มาไหมคิดว่าอาจารย์พ่อครูเล่าหลไรเล่าให้ฟังความเป็นมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าทําไมจึงตั้งชื่อชื่อว่าวัดมหาชนกท่านอาจารย์เล่าก็ได้ยังเอาไม่ใช่เล่าไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่พูดถึงฮิสตอรี่ให้ฟังแล้วก็จะเออก็จะคงจะตั้งไม่ไม่รู้ที่ไปที่มาไม่รู้ประวัติศาสตร์เลยนะวัดมหาชนก ความจริงเรื่องนี้ยาวนะแต่จะเล่าโย่อๆอย่างนี้เพราะมีเวลาจำกัดว่ามหาชนกเป็นใคร <Yeah. S 1> นะอริทาชานกกับมหาชนกนะเป็นลูกพ ร, ราชายใช่ไหม <Yeah. S 1> นะทีนี้เมื่อพ่อตายแล้วนี่ก็เรียกว่าคือ <Yeah. S 1> อยากจะให้ท่านมหาชนกเนี่ยขึ้นคลองลาดแต่ว่าพี่ชายไม่ยอมพี่ชายก็เลยยึดอำนาจ พอยึดอำนาจได้แล้วก็ไล่น้องชายที่สมควรที่จะคอเพราะพี่ชายเกเลหน่อยพ่อไม่อยากจะให้สืบราชสันติวงศ์ก็ย่าน้องชายขึ้นเป็นสั่งไว้แค่นั้นแต่พ่อตายแล้วทีในได้พี่แอบไปซ่องสูงกําลังมายึดอํานาจน้องชายนะ <c oughs> ทาั้งๆที่ตั้งเป็นราชกุมารแล้วนี่มายึดอํานาจในที่สุดท่านมหาชนกที่เป็นราชกุมารก็ต้องอหนีออกไป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 แต่ท่านด้วยความเพียรด้วยความเรียดอย่างสูงยิ่งท่านว่ายน้ําได้ถึงเจดวันวันที่เจ็ดถึงวันที่แวันที่เจ็ดจะหมดแรงแล้วในวันที่เจ็วันสุดท้ายมาหมดแรงที่จะว่ายต่อไปล้ที่ว่ายวันวันเขาพยายามจิบน้ําทะเลทั้งปากที่อยู่ได้นะวันสุดท้ายกะว่าวันนี้เป็นวันพระจะไม่ยอมเอาจิบน้ําเข้าเข้าปากเพื่อที่จะ วันชุดท้ายหมดแรงไม่ไหวต่อแล้วก็ในขณะไหวไปเนี่ยแล้วก็อธิษฐานจิตไปว่าตราบใดที่ยังมีกําลังอยู่ฉันจะไหวจนหมดกําลังนี่แหละในขณะไหวไปก็ปรากฏว่าเดือนร้อนนึงใครพระอินนะอาสนะเคยอ่อนแต่ก่อนมาก็กระด้างเป็นไงดําศิลาประหลาดใจเพราะอาสนะพคยอินเนี่ยในสวรรค์นเนี่ยอ่อนนุ่มมากนะแต่ว่าไหนถ้มีเหตุดีเนี่ก็ อาสนะจะแข็งขึ้นมาทันทีนะอาสนะจะแข็งก็จะมีเรื่องเดือดร้อนในมนุษย์แล้วท่านก็ส่องลงมาดูปรากฏว่าอ้อมีคนมีบุญนี่กลังว่ายน้ำจอมๆ จ, จ, จะตายอยู่ผูเนี้เราคงไม่ไปเราคงเดือดร้อนแน่ในที่สุดก็เลยให้มณีเมฆลาเทพพยายดาผู้รักษาทะเลให้ไปดูซิว่าท่านเดือดร้อนอยังไงก็ไปดูามณีเมฆลาก็ เรียกว่าอยู่กลางอากาศก็โอ้กระทักถามว่าท่านมหาชนกท่านจะไปไหนเนี่ยฝั่งทะเลไม่มีขอบมีริมดูที่ไหนมองไม่เห็นขอบเห็นริมท่านจะไหว้ไปทีงไหนไหวยก็ตายไม่ไหวยก็ตายไ่ไหว้ไปทำไมท่านบอกว่าอย่างไงรู้ไหมบอกว่าที่เราหว้เนี่ยเราไม่ได้วหายเพื่อที่จะเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ว่าเราวหวยเพราะเรามีกำลัง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 โอ้โหเมฆาลาฟังนี้เป็นไงซึ้งมากอ่ะขณะพูดนี้จบนะโอู้แล้วขนลุกท่านก็สรุปไปเลยขณะสรุปไปนั่นเองก็คือเมฆาลาก็อุ้ ม, มไปลงที่อีกฟังหนึ่วท่านก็ไปตั้งนครอยู่ที่นั่นอันนี้ความเป็นมาของมหาชนกนะ ที่นี่เกิดขึ้นก็เพราะอันนี้คือหมายความว่าสร้างวัดทําวัดอเมริกาขึ้นมาขนาดนี้มันจะยากขนาดไหนก็ตามความจริงมหาชนกตัวจริงคือคือใครอย่าเรียกว่ามหาประสันไม่ได้นะได้ชื่อใหม่ว่ามหาชน ก, ก น, นะดังชื่อใหม่แล้วมหาชนกคนละตอนนะี้เพราะฉะนั้นอย่าเรียกว่าท่านมหาประสันนะจะมหาชนกคนลนะดังนั้นเองคือมีความพยายามด้วยไปพยายามของข้าความพลังพยายามของท่านไม่พอท่านไปเอาพลังความเพียรจากที่ไหน อุตส่าห์ไปขอความเพียรพลังความเพียรที่ไหนที่อินเดียถึงสามเดือนน่ะเห็นไหมท่านมีความเสียสละขนาดนั้นเพื่อเห็นแก่ใครเพื่อเห็นแก่โยมที่มาอยู่ที่นี่แล้วทพัดบ้านหลวงเมืองมาทํามหากินเป็นทุกประสบ ป, ปัญหาอะไรต่างๆทุกอย่างแต่มาเห็นคนอเมริกาแล้วด้วยความทุกข์ยากลําบากต้องต่อสู้ปัญหาว่าไปเนี่ยคนที่อยู่ในอเมริกาในทุกกว่าบ้านเราหลายเท่านะเพราะอะไรแล้วก็จนกว่าบนเราหลายเท่าโดย ไม่ทํำก็ได้กินบ้านเรานี่ไม่มีงานทำสิบปีก็อยู่ได้ใช่ไหมที่นี่ไม่มีงานทําเดือนอยู่ได้ไหมไม่ได้ไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีที่ของตัวเองไม่มีน้ําไม่มีไฟบ้านเราไม่มีงานทํำก็อยู่ได้สบายอาจามาสร้างวัดไม่ถึงสามปีเสร็จหมดทุกอย่างแต่ที่นี่สามปีเพิ่งได้แค่นี้ท่านมาเฉพาะตึกนี่นะเพราะฉะนั้นเองที่เมืองไทยมาทำอะไรทำสลากกมาถามนะหลังใหญ่ใหญ่คนนี้เราทําพระเจดีย์ ทําพิพิธภัณฑ์แล้วทำปีนี้ก็ทํเาเรือนรับรองหอยฉันเสร็จเรียบร้อยเพราะอะไรเพราะที่นั่นคนแค่เจ็ดสิบล้านใช่ไหมประเทศไทยแล้วที่นี่เท่าไหร่เราต้องแข่งกับคนเท่าไหร่สามร้อยหรือสี่ร้อยล้านโอ้โหมันมันแบ่งน้ําหนักหลายเท่าเนี่ยที่ว่าันทุกข์คือทุกเราต้องแข่งขันกับกับคนเหล่าเนี้ยแต่บ้านเราแค่เจ็ดสิบล้านเนี่ยมันไม่ต้องแข่งขันกันลําบากแต่เราต้องแข่งขันกับค น, เ ป, นเป็นเป็นหลายๆลล้านน่ะหลายเท่า ดังนั้นมีความยากลําบากขนาดไหนแต่ด้วยด้วยบุญบา ร, รมีของพระพุทธเจ้าและของความพยายามของท่านทําสิ่งนี้ขึ้นมาได้ดนั้นเองตรงนี้เองก็เป็นธรรมาจากสารั์ให้จะมามาร่วมบา ร, รมีท่านด้วยอย่างไงนะมาร่วมบา ร, รมีด้วยกันมาใช้สถานที่นี้ร่วมกันเพื่อให้มันคุ้มค่าถ้าหากว่าอยู่บ้านเราอาคารหลังนี้ใช้เดือนละครั้งก็คุ้มแล้ว นะแต่ว่าที่นี่เดือนละครั้งเนี่ยไม่คุ้มต้องทุกๆุกอาทิตย์ทุกๆุกวันพระมาใช้แล้วต่อไปการจัดกรรมาฐานเนี่ยท่านอาจจะต้องเวียนมาทุกเดือนแต่มาก็มีท่านให้ไว้ไวเดือนหนึ่งนะปีหนึ่งอาจจะไว้มาได้ทั้งเดือนนะที่ได้ท่านได้ปราณาเอาไว้อาจจะต้องได้มาใช้อย่างที่ว่าเลยตอนนั้นเองก็ถือว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่อยู่ในวัดโยมก็จะได้สะดวกละต่อไปนะ จะต้องมีเทพบุตรเทวดาทั้งหลายเนี่ยที่เขาเกิดมาต้องการมาสร้างสมบุญบรารมีเพื่อมาตอบคบต่อชาติของเขาให้ดีเนี่ยเขาต้องอยู่ที่ไหนที่เป็นบ่อบุญบ่อปุถุสูญ เ, เขาจะทนไม่ได้เขาต้องมาคนไทยคนลาวคนเอเชียของเราทั่วอเมริกาเนี่ยจ ะ, จะต้องมาที่นี่เพราะอะไรสถานที่มันพร้อมวัดอื่นนะเขาทําใหญ่ก็จริงีนเขาทําเป็นสังฆกรรมเป็นโบสถ์ใช่ไหมเป็นวิหารสําหรับพระแต่นี่สร้างขึ้นมาสําหรับเพื่อคนทั่วไปเพื่อโยม มีที่พักที่อบรมที่อะไรเรียบร้อยในการสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยง่ายแต่การสร้างสถานอบรมในเมริการเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะเราสร้างด้วยความเพียรนะนั้นเรื่องของอความเพียรพยายามแล้วก็สิ่งที่สำคัญท่านได้เป็นคนที่มีว่ากตัญญูนะกตัญญูต่อพระพุทธศาสนาโดยอาศัยทำงานเนี่ยความกตัญญูนี่สาคัญ ตะมาเห็นว่าในนวโกวาต์หน้าแรกยังไม่ไึกษานะแต่พูดให้ฟังหลักสูตรของพระเล่มแรกที่สุดคือนวโกวาต์บดมาปั๊บเนี่ยต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เพราะเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญของพระหมายว่าถ้าคุณไม่อ่านไม่ได้ว่าคุณจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายนี่ไม่ได้หน้าแรกที่สุดในว่าในเรื่องของธรรมะวินะัยเนี่ยหน้าแรกที่สุดมีธรรมะอยู่สี่หมวดมาว่าตรงนี้สำคัญ หมวดที่หนึ่งคือธรรมีอุปกระมากสองอย่างเป็นตัวอุปกรณ์ทั้งหมดถ้ามีทำชุดเนี่ยอุปกระชีวิตของเราได้ทั้งหมดสองอย่างคืออะไรวันนี้เลนนะั่งทากัอนหนึ่งนะยังเตี้ยทั้งจำไม่ได้ธรรมมีอุปกรณเหมือนพ่อเหมือนแม่คู่ที่สองของเราคืออะไรสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสตินั้นเหมือนแม่สัมปชัญญ ะ, ญญะนั้นเหมือนพ่อเราเนี่ย พ่อแม่ของเราเนี่ยอยู่ไม่นานหมดอายุไขท่านก็ไปท่านก็ทิ้งเราไว้ท่านก็ไม่ดูแลเทคแคร์เราตลอดชีวิตหรอกแต่ว่าในช่วงที่เราอยู่กับพ่อแม่คู่นั้นทางกายเนี่ยเราต้องหาพ่อแม่คู่ที่สองคือพ่อแม่ทางใจของเราคือสติและสัมปชัญญะสติจะรักษาเราพ่อแม่เราไม่ได้ตามรักษาเราตลอดถึงแม้ว่าถ้านจะมีชีวิตอยู่ใช่ไหมไม่นานเราก็ออกจากท่านแล้วเนี่ยก็พ่อแม่ก็ยังอยู่กับทุกคนแต่ว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่ที่นี่หมดแล้วใครพามาที่นี่ ก็พ่อแม่คู่ที่สองใช่ไหมคือสติปัญญาคําว่าสัมปชัญญะกับปัญญานั้นก็คือชื่อเดียวกันนี่แหละแต่ว่าใช้คนละหน้าที่ก็มาด้วยสติปัญญาของท่านแต่ละคนมาที่นี่ได้ต้องใช้สติปัญญาอย่างสูงยิ่งนะไม่ใช่ใครอยากจะมาก็มาได้เลยต้องมีสติปัญญาและต้องมีบุญกุศลด้วยนะเหมือนเรามาอยู่กับเทวดามาอยู่ว่านเศรษฐีเนะี่ยไม่ใช่มาอยู่ได้ง่ายๆจะต้องมีบุญกุศลและมีสติสมัมปชัญญะนั้นพ่อแม่คู่ที่สองพา ม, มานะ อันที่สองคู่ที่สองมีฮิริโอตะปะเป็นธรรมคุ้มของโลกเป็นธรรมคุ้มของฮิริแปลว่าอะไรฮิริอิสามโนโยตังฮิริเป็นไถเงนฮิริ ri, เป็นเงินไถใจเป็นเชือบปัญญาเป็นผานและปะะัะจักคือเรามีฮิริโอตะปะเพราะฮิริโอตะปะนี้เราทําให้เราเป็นคนดี เฮริแปลว่าความละอายชั่วโอตปาแปลว่าความกลัวบาปกลัวสิ่งที่เดือดร้อนกว่าความไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเรามีทําคุ้มครองนะคุ้มครองใจของเราเนี่ยสองอย่างคือมีความอายชั่วกลัวบาปตัวนี้เป็นศีลอย่าลืมว่าที่เรารักษาศีลกันศีล5้าศีลแศีลสองิบเจนี่ยจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ต้องมีสองตัวนี้เป็นแกนถ้าหากไม่มีเฮริโอตปะ ศีลไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะนี้คือหัวใจของมันอะไรก็ตามถ้าไม่มีหัวใจอยู่ไม่ได้ศีนก็จะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฮีเลอุตปะความหมายของฮีเลอุตปะเป็นอย่างไรจะเล่านิทานก้อม น, นิทานสั้นให้ฟังเรื่องหนึ่งนงนะ่เพื่อเอาใจคนไม่เข้าวัดนะสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ที่ไหนดังๆเนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานก็เรียนด้วยแต่สมัยนั้นเขาไม่เรียกว่าครูบ อ, อาจารย์เขาเรียกว่าพาระฤาษี เขาจะมีอาสมมีสำนักเขาเรียกอาจารย์ที่สาปาโมกมีสาปาโมกหมายเาว่าเป็นที่รู้จักกันในคนทั่วไปว่าอาจารย์เนี้ยเก่งาาคาถาคบก็เก่งเรียนไปเรียนด้วยแล้วก็มีวิชาสามารถทํานั้นทำนี่เสร็จสเร็จเสร็เรียนด้วยฤทธิ์ด้วยเดชอะไรก็ตามก็จะส่งลูกไปเรียนกันทีนี้ปรากฏว่ามีนักศึกษารุ่นประมาณ30มสิบคนฤศีก็สอนตามหลักการของท่านพอถึงวันสุดท้ายออกข้อสอบ ข้อเดียวนะวันจุฑาจะเอาข้อสอบข้อเดียวรุ่นนี้ข้อสอบพิเศษข้อสอบว่าไงรู้ไหมเดี๋ยววันนี้จะสอบอยู่ข้อสอบว่าให้ทุกคนไปลักของมาหนึ่งชิ้นโดยที่ไม่มีคนเห็นนะให้นักศึกษาทุกคนไปขโมยของคนมาของคนนะ่ะมาหนึ่งชิ้นโดยที่ไม่มีคนเห็นอะไรก็ได้ <c oughs> จะเป็นเข็มเล่มหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้ได้มาก็แล้วกันแต่ข้อแม้ว่าอะไร อย่าให้คนเห็นเอ้าวล่ะทุกคนได้มาครบทุกคนละก็ามาในที่ประชุมอย่างเงี้ยอา้าวใครว่างที่ขโมยของมาได้เนี่ยยกมือพลุกได้หมดเอามีคนหนึ่งไม่ยกมือเอาทําไมคุณไม่ยกมือล่ะผมไม่ได้เอาทําไมไม่ได้ผมจะรักที่ไหนมีคนเห็นหมดเลยว่างั้นนั่นน่ะมีคนเห็นผมก็เลยไม่ได้อา้าว พวกเหล่านี้เขาต้องเยอะแยะเขาขโมยไม่มีใครเห็นเลยเธอทำไมมีคนเห็นน่ะก็ว่าผมเป็นอะไรผมเป็นคนเพราะผมเห็นตัวผมทุกครั้งในเวลาที่จะจับของเขาเนี่ยอ่าผมก็เลยไม่กล้าเอาของนั้นเพราะว่าผมเห็นตัวเองอาจารย์ตบมือผางเลยนี่แหละข้อสอบที่เธอผ่านแล้วรุ่นนี้ผ่านเพียงคนเดียว น้องนั้นสอบตกหมดน้องนั้นเป็นคนไหมเป็นอะไรเป็นเปลนเป็นเปลนหมดเลยนะมีคนอยู่คนเดียวคือคนที่มีความอายชั่วกลัวบาปในใจคือละอายตัวเองอ่ะว่าตัวเองเป็นคนแต่อาจารย์บอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้คนเห็นแต่เราเห็นตัวเองอ่ะคิดได้ยังไงพวกเราจะคิดได้ไหถ้าเจะข้อสอบนี้ โอ้ยากอยู่นะถ้าไมนมีฮิลโอตระนี่ยนะแต่สําหรับคนที่ฮิลิอตระก็จะเห็นตัวเองดังนั้นทําคุ้มครองของเราคือศีลจะคุ้มครองเราในที่เราสมาทานศีลเนี่ยไม่จำไม่ต้องไปถือหลายข้อเอาแค่สองข้อพอห้าข้อก็เยอะเกินไปใช่ไหมห้าข้อเยอะเกินไปถ้าคนมีฮิลิอุตรปะปจะกล้าฆ่าสัตว์ไหมคนมีฮิลิอตตระจะกล้าลักทรัพย์ไหมคนมีฮิลิอุตระจะไปละเมิดของคนอื่นไหม คนมีฮิลิออร์ตาจะพูดปวดพูดซอเสียดพูดคําหยาดพูดเพอเชอเป็นไหมคนมีฮิลิออร์ตาจะไปกินเหล้าดื่มสุรานนั้ดายาเมาของสิ่งเสพติดมือเมาทั้งหลายไหมไม่กล้านี่คนมีศีลและมีฮิลิออร์ตาเพราะฉะนั้นจะมีมากหรือมีน้อยแล้วแต่คุณภาพของศีลคนไหนมีมากก็คุณภาพของศีลก็ดีคนไหนมีน้อยคุณภาพของศีลก็ต่ําไม่ใช่ไม่มีนะมีทุกคนฮิลิออร์ตาแต่ว่ามีในระดับไหน ระดับสมมติระดับสังคมระดับประมัตินะอายไปเออไปเอานั้นนออายกพราคนอื่นเห็นใช่ไหมกลัวเขาว่ากลเขาคนอื่นทา้ากลัวเขาตาําหนิฮีริอุต ป, ปา บ, บนี้ก็เป็นทิริชั้นนอกเป็นทิติแบบสมมุติใช้ได้ระดับหนึ่งทาอะไรอยู่ในบ้านทำไม่ดีไม่ร้ายกลัวลูกเห็นกลัวเมียเห็นกลัวสามีเห็นอันนี้ก็ก็เป็นฮิริอุตปะระดับหนึ่ง แต่อยู่ที่ไหนก็ตามไม่ว่าที่ลับที่แจ้กลัวตัวเองจะเห็นความไม่ดีของตัวเองเนี่ยตรงนี้เป็นยอดของฮีริโอตปะเป็นเป็นหัวใจของศีล น, นะนี่เรียกว่าคุ้มครองเราได้ใครมีคู่นี้จะเข้มในระดับไหนก็ตามเข้มในระดับที่ว่าเมื่อให้ชั่วและบาปเกิดขึ้นในใจนั้น่เรียกว่าฮีริทิโอตปะที่เป็นศีลร้อยเปซนนอกนั้นก็จะเป็นสิบเปอเซนไปเรื่อยๆแล้วแต่ปัญญาของคนนะ เอาละอันนี้ชุดที่สองนะที่หลวงพ่อว่าทั้งทำทั้งสีชุดนี้มาว่าข้อว่าทั้งหมดเข้าไปในพิฎูฮิริโอตระปะฮิริโอตัะปะสัมป น, นาสุกธรธมัสมาหิโตสันตาส ป, ปุริซาโลเกเทวาธรรมติวุ จ, วจเรใครก็ตามที่มีหิริโอตระปะอบรมบ่มเพาะดีแล้วเราเรียกคนนั้นว่าเป็นเทวด า, าเห็นไหม เพราะนั้นเราจะไปเกิดเป็นเทวดาเพราะมีหิริโอตปะคูนี้นะ่ยเราเรียกคนเพราะนั้นเทวดาไม่ต้องไปหาในสวรรค์หรอกไม่ต้องไปหานอกโลกนะ่ยคนนั้นจะเป็นเทวดามากน้อยขึ้นอยู่กับฮิริโอตปะมากแค่ไหนคนไหนมีอโอตปะมากก็หมายความว่าคนนั้นจะมีสิ่งคุ้มครองมากนะเอาละชุดที่สามทำอันคนทําให้งามสองอย่างเพราะเราอยากเป็นคนงามใช่ไหม ทำอันทําให้คนงามสองอย่างโยมอยากงามไหมอยากจะงามถ้าหากว่าได้ทำผุ้นี้เนี่ยไม่ต้องไปเสียตังซื้อเครื่องสำอางแล้วนะ่ะนาจะงามน่าจะเบ่งบานอยู่เสมอน่าเด้งอยู่เสมอนะสองอย่างนั้นราคาแพงหน่อยนะขันติความอดทนโสรั จ, จัความส ง, งยมงามอดทนแบบแบบไหนอ่ะถ้าหากขันติถ้าไม่มีข้อที่สองนี่ ไม่แน่ใจว่าจะงามหรือเปล่านะคือหมายความว่าใครจะด่าจะว่ามาก็อ่าสมบูเสงเงียมทําใจให้สบายได้เสมอเรี่เป็นสุรัชจักแต่ถ้าเขาว่าเขาด่าเขาตําหนิมาหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าหน้านิว้วคิ้วงอไป็นไงงามไหมไม่งามมีขันติแต่ไม่มีโสรัชจักนี้เรียกว่ายัางงามไม่ได้เพราะฉะนั้นหมายความอดทนอย่างเต็มที่แต่อดทนอย่างสบายอดทนอย่างผ่อนคลายอดทนอย่างมีความสุข เวลาเราทํางานในบ้านเนี่ยกับผัว ก, กับเมียอยู่ด้วยกันใช่ไหมมีการกระทบกระทั่งมีการทะเลาะเบาะแว้งมีการาดูถูกเหลียดยามีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทนได้ไหมถ้าทนได้แบบไม่มีโสรั จ, จัสรอดได้ด้วยใจที่ไม่งามอันตรายทนไปทนมาทนเรื่อยๆลักษณะทนแบบไม่ด้วยการเก็บกดนะเก็บกดไปนานๆแล้วจากขันติมันจะกลายเป็นขันแหละ ก็เป็นขันแตกก็แล้วระเบิดอนะนะระเบิดออกมาออกทางกายก็ได้ทะเลาะกันระเบิดทางวาเออระเบิดทางวาจาได้ทะเลาะตบตีกันระเบิดทางกายเป็นไงได้ตบตีกันนะฮะระเบิดตอนแรกมันระเบิดที่ไหนก่อนระเบิดทางกาทางใจก่อนมันเกิดขึ้นไม่พอใจมันระเบิดแล้วเนี่ยอาเขาว่ามาไม่พอใจมันมันระเบิดทุบๆในใจแล้วใจเต้นได้ใช่ไหมสักครั้งนึ่งมันก็ดังออกมาทางไหนอ่าทําวาจา ถ้าพังเอาดำมาเพี้ยพะเพี้ยพะปุ่งปุ่งปังออกมาเลยแล้วเบิดของจริงออกมาเลยเนะ่ยอันนั้นเรียกว่าไม่งามละทีนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าใครอยากจะงามให้มีข้อนี้คืออดทนแล้วก็มีความสงี่ยมงามด้วยนั่งนี้ปวดไม่เมื่อยไหมแต่บางคนเมื่อยแล้วก็ยิ้มได้ใช่ไหมบางคนเมื่อยแล้วเป็นยังไงหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าไม่งามเลยนี่เขาเรียกว่ามีแต่ขันตีแต่ว่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีสุริยจักคืนนี้ทั้งคืนดูว่าใครจะทนได้แค่ไหนนะเราลองดูนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นสมาธิตัวขันติโสฬ จ, จเป็นหัวใจของสมาธิแต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปเรียกว่าอาธิวาสนะขันตินะและขั้นนี้เรียกขันติโสฬ จ, จักเพราะฉะนั้นในนี้ฮิริอัตปาเป็นหัวใจของศีลขันติโสฬ จ, จักเป็นหัวใจของสมาธิอ่าทำชุดต่อไปทำชุดต่อไปว่า คนที่หาได้ยากคนที่หาได้ยากมีสองคนอ่ามีสองหนึ่งคนที่ช่วยเหลือเราก่อนอมีอะไรก็ช่วยเหลือเราก่อนใครบ้างที่ทำหน้าที่ช่วยเราก่อนพ่อแม่นอกจากพ่อแม่แล้วพี่น้องช่วยเหลือเราไหมบางคนก็ช่วย <c oughs> บางคนก็ไม่ช่วยเจ้านายช่วยเหลือเราไหม เพื่อนช่วยเหลือเราไหมใครก็ตามที่ช่วยเหลือเราก่อนนั้นหาได้ยากช่วยเหลือแบบไม่ไม่มีเงืนะ่อนไขนะช่วยเหลือแบบให้หยิบให้ยืมไม่เรื่องก็ยังมีเงื่อนไขนี้จะเรียกว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเงื่อนไขทางสังคมไม่ใช่ว่าไม่เข้าข่ายตรงนี้แต่ก็ช่วยเหลือระดับหนึ่งแต่ช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไขช่วยเหลือแบบให้เปล่าญาติโยมที่หาได้ยากสําหรับพระญาติโยมเขาขอมาให้พระโยมมีเงื่อนไขไหม มีเงินขายจะเอาคืนไหมเอาคืนเอาคืนขอให้ได้บบนขอให้ได้กุศลขอให้เลยเอาค่อย <Okay. S 1> เอาคืนนะเอาคืนเยอะด้วยนะน้าทบุญร้อยหนึ่งขอให้ได้ถูกหวยจะสองรอยอย่างเงี้ยนะเออเนี่ยนะลักษณะนี้หาได้ง่ายไม่ยากหรอกนะแอ่บางคนให้เอาไงท่านเต็มที่เลยฉันไม่ต้องการบุญฉันก็ไม่เอาบาปฉันก็ไม่เอา ฉันจะจะรู้สึกตัวที่ท่านพูดนั่นแหละนะฮะเอออย่างเงี้ยเขาเรียกไม่มีเงื่อนไขฉันจะอาจะรู้สึกตัวที่ท่านพูดนั่นแหละบุญกุศลฉันก็ไม่เอาเพราะว่าบุญก็ทําให้เป็นบาปบาปก็กลับมาทําบุญอีกก็วนวิ่าว่าจะเกิดไม่จบแต่ถ้ารู้สึกตัวอยู่เหนือบุญเหนือบาปฉันต้องการตรงนั้นแหะมันตรงนั้นจะถ้าหาเราทําตาความรู้สึกตัวแล้วเนี่ยเรียกว่าหาได้ยากบุคคลหาได้ยากทําบุญภายนอกก็ทําไปแต่อย่าลืมทําบุญภายใน <S <S <lab> ด้วยคือทําความรู้สึกตัว ท่านโยมาวัดนะแม้ไม่มีอะไรมาเลยนะอย่ามาอย่างรู้สึกตัวก็ถือว่าได้มาทําบุญแล้วถ้ารู้สึกตัวเป็นยังไงรู้สึกตัวแล้วมันจะอยู่เฉยๆได้ไหมไม่เคยจะจับไม่กวาดอทํ า, ทาความสะอาดเข้าห้องน้ําล้างห้องน้ําเข้าครัวล้างถ้วยล้างชามใช่ไหมกวาดปัดกวาดเช็ดทูทําความสะอาดบริเวณวัดอย่างรู้สึกตัวอันนี้ก็ได้บุญแล้วได้เยอะกว่าด้วยนะอ่า เข้ามาก็หมายความมาช่วยกันบริการพระเราอยู่ด้วยกันน้อยรูปแล้วก็จะปล่อยวัดของเราให้ไม่สวยไม่งามนี่ไม่ได้เราต้องมาอย่างรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกตัวเฉยๆนั่งรู้สึกตัวเฉยๆะฉะนั้นในวิธีการของพ่เทียนท่านให้ยกมือเพื่ออะไรยกมือนี้เพื่อจะหาหางานที่จะทำเนะี่คนทั่วไปนะั้นทํางานด้วยความไม่รู้สึกตัว แต่วิธีหลวงพ่อเทียนนะให้ยกมือเพอเวลาไปทํางานนะเพื่อให้รู้สึกตัวอย่างที่เรายกมือแบบนี้แหละให้เกิดทักษะความเคยชินยังไง น, นนะเพราะฉะนั้นมีโยมคนหนึ่งเมื่อก่อนแกเรียกว่าเป็นคนมีอันจะกินนะ่ะเป็นเจ้าของร้านโกเบลที่ถน น, นสุขุมวิทเนี่ยเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ส่งออกแกมีคนใช้ในบ้านเยอะเลยนะต่อมาแกมาปฏิบัติธรรมแบบแบบเคลื่อนไหวเนี่ยแต่แกทําหนอมานานแล้วแต่ว่า อาจจะไม่อร่อยในใจของแกยังไงมาทําเคลื่อนไหวปรากฏว่าทําได้ไม่นานแกเข้าใจกลับไปบ้านที่นี่เห็นอะไรแกทําสนุกไปหมดคนใช้ในบ้านสี่คนนี้ปรปากฏว่าเหลือคนเดียวเหลือแต่ชัางน้ำชัางไฟนอกนั้นเช็ดบ้านถูบ้านตัดยาอะแรงต่างๆหายหมดเพราะแกเอาไปอยู่ร้านอื่นที่ละคนละคนนอกนั้นแกทําได้หมดอ๋อเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่รู้สึกตัวอันนี้ทํา แดือทางานด้วยความรู้สึกตัวมันสนุกแต่เมื่อก่อนมันทําด้วยความฮิดอ่ะเนี่ยโอ้โวัดทั้งวัดครูรทําอยู่คนเดียวไม่ไหวเลยเนะี่ยอาจารย์ให้เราทําอันนี้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวโอ้บ้านทั้งหลังเนี่ยให้ฉันทําอยู่คนเดียวรู้ผ้าใช้แล้วก็ไม่ซักให้ครูซักคนเดียวไม่กินแล้วก็ไม่ล้างในบ้านก็ไม่ถูทําไปก็บน่นไปทำไปบน่นอย่างนี้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวทําด้วยความไม่พอใจเป็นบุญไหมหาได้ง่ายทําแบบนี้นะ หาได้งแต่ทําไปรู้สึกตัวไปทําไปรู้สึกตัวไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยให้รู้สึกตัวอย่างเดียวได้ทั้งงานและได้ทั้งบุญเห็นไหมที่ว่าได้บุญมากเพราะว่าได้สองเท่าแต่ถ้าโยมมาทําบุญมาถวายของมาถวายอาหารเนี่ยทำหลายปีแต่ว่าทํามาด้วยความอยากด้วยความไม่รู้สึกตัวได้เหมือนกันอาจจะได้ไม่มากแต่คนนึงอาจจะทําอาจจะไม่ได้ทําแบบว่ามาถวายของะแต่มาที่ใดมาช่วยงานอาจารย์ <c oughs> มาช่วยกวาดนู่นทำนี่ไม่ว่าอาจารย์จะอยู่วัดหรือไม่อยู่วัดก็นงวัดที่สะอาดสะอานเสมอนะโอ้สลาไม่เป็นขี่นกขี่หนูเน ล, ลี้ยล่าดเราก็ตามถนนทุนทางก็มีกิ่งไม้มีใบไม้รบ ล, ลุงลังในครัวก็สะอาดเขามาโอ้โหญาติโยมวัดนี้ทำบุญกันดีมากนะทั้งแรงกายแรงใจแรงทรัพย์แรงสติปัญญาทำครบหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่พูดถึงทำบุญเนี่ยเราก็มักถึงจะแรงทรัพย์อย่างเดียวแล้วไม่นึกถึงแรงกาย แรงสติปัญญาใช่ไหมนั้นมาออกหัวคิดออกปัญญาช่วยกันออกกําลังกายดูแลช่วยช่วยกันนะดูแลวัดช่วยกันอย่างเงี้ยเรียกว่าทําบุญอันนี้เป็นใช้ขันติโสรั จ, จัสด้วยแล้วก็อันสุดท้ายคนที่หาได้ยากมีการให้ก่อนให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้กําลังแบบไม่มีเงื่อนไขให้ข้อคิดสติปัญญาแบบไม่มีเงื่อนไขให้เงินให้ทองสร้างวัดแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ขออย่างเดียวขอให้รู้สิบตัวเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านเห็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ก็ได้นิ ม, มนต์อาตมามาช่วยตัวนี้ด้วยแล้วอาตมาก็ไม่ใครจะใครจะนิ ม, มนต์มาง่ายๆมาก็ระวังตัวเหมือนกันนะวัดทั่วไปเขาเห็นวิธีการพูดเทียนนึ่งเขารับไม่ได้เพราะนั่งกปรมาฐานไปไง่าหลับตาทั่วไปทัต้องหลับตาต้องนิ่ง่ใช่ อันนี้อะไรยกมม้ยกมือกันทั้งวี่ทั้งวันได้เป็นวันหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าไปวัดกลับมาเนี่ยนะยกม้ยกมือก็จะคนสงสัยทันทีใช่ไหมแต่ถ้าไปนั่งกรระฐานขาวขวาขัดขาซ้ายมือขวาถ้ามือซ้ายตั้งตัวตรงดํารงสติมั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นฟอร์มตายตัวเลยนะไม่แปลกใช่ไหมอันนี้คุณนั่งยังไงก็ได้คุณยกมือโอ้โหอาจารย์ประสันเนี่ยเอาข้าวินมือสอนเพี้ยนกันไปหรือเปล่าะถ้าสงสยัยเลยทีนะ่ะ อันนี้แหละโยมมันยากตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นวิธีการของรับเทยียนไม่ใช่ลงได้ง่ายๆนอกจากว่าหาพื้นที่ได้ยากแล้วคนรับก็ยากแต่ว่าเอามาถือว่าคนไหนรับได้เนี่ถือว่ามีบุญวาสนาเพราะอะไรเพราะว่ามันจะทําให้เรามีคุณทาณํามสี่ประการนี้ประการสุดท้ายที่ว่าเป็นคนหาได้ยากอั น, นคือคนให้ก่อนอันที่สองคนให้ก่อนแล้วว่ากัตันยูปุภากาลีคนให้ก่อนและก็ คนที่เห็นเขาให้แล้วก็ตอบแทนบุญคุณคือกตันยูกะตะเวทีตรงนี้ก็หาได้ยากเหมือนกันโยมทั้งหลายเนี่ยคิดถึงพ่อถึงแม่คิดถึงคนที่ให้พอดแล้วก็พยายามมาทำงานแล้วก็ส่งเงินไปให้พ่อให้แม่ไปดูแลความสารุสุขถุกอีกความท่านบางคนนะหลายคนก็รู้สึกว่าไม่ได้ทําหน้าที่ตรงนั้นเลยลืมไปเลย นะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ญาติโยมพวกเราที่มาวัดนี้ไม่เป็นไงใช่ไหมเพราอาจารย์ประสานนั่นพูดเรื่องนี้ประจําใช่ไหมหรือว่าสงสัยอยู่ฟังท่านก็แล้ลืมไปเมืงงนนะ่อกี้นันพ่อแม่จะเอาทิ้งไว้ไหนไม่รู้กันนึกถึงไงนะแม่อาจารย์ประสานท่านคงไม่ปล่อยว่าใหโยมทยําเป็นงั้นหรอกนะท่านจะต้องคือเบื้องต้นเนี่ยท่านจงแนะนําทีเดียวว่าใคระที่มีพระคุณต่อเรามาก่อนอาจารยเองหลังจากรู้เรื่องนี้แล้วนะหลังจากเข้าใจธรรมะปีสามศูนย์ กับหลวงพ่อเทียนะเน่ยควจริงมาทํามานานแนละ้ววิธีการนี้ไม่ใช่รับได้ง่ายๆนะยกมือดีนะเามาพบหลวงที่พเทียนปีหนึ่งเก้าสองศูนกว่าจะมาเข้าใจจริงๆอ่ะรู้สึกตัวจริงๆอ่ะปีสามศูนย์ใช้เวลาเป็นสิสิปีเพราะอะไรโยมรูไหมโยมมาปฏิบัติแค่สมวันเจ็ดวันโยมสัมผัสได้แล้วแต่มาปฏิบัติเป็นสิบปีพึ่งสัมผัสเพราะอะไรรู้ไหมเอามาทุงมารู้ว่าความเป็นพระมันยากตรงนี้เองพระเนี่ยมันยากวันเดียปฏิบัติยากเพราพระมีสมมุติเยอะ เพ่ออะไรพอบวชเข้ามาวันแรกเขาเป็นไงยกมือไหว้แล้วใช่ไหมกราบแล้วอ่าไปอยู่ที่ไหนก็บานไม่ต้องเช่าข้าวไม่ถึงซื้อของไม่ต้องหาลำบากทุกอย่างฟรีหมดโอ้โหถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาเป็นไงเป็นนี่เขาอ่านเลยใช่ไหมแต่ว่าเราเขาสมมุติให้มาทําหน้าที่อันนี้คือว่าเรามีสมมติหนาเกินไปสมมุติว่าเราเป็นพระพระมี เป็นพระพรรษาหนึ่ง พ, พันษาสองก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเป็นพระมหาก็เริ่มหนาขึ้นอีกแล้วเป็นเจ้าคณะพาสังคาที่การเริ่มหนาขึ้นเลยถ้าไมา่ถ้าไม่ระวังจริงๆความเป็นพระความสมมุติเราเนี่มันจะพออคุณเราให้เราสําคัญตัวผิดว่าเราเป็นพระมีอายุมากอาตมาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเป็นมหาป ร, ริญญาเป็นคปปรูบอาจารย์เป็นอายุพรรษาเยอะเรียนมาเยอะอะไรต่างโอ้โห พอไปพบหลวเพ่อเทียนไปพาหลวงกาธรรมดายกมือให้เราดูใช่ไหมรับได้ไหมไม่ได้แต่มันสงสัยสงสัยเพราะอะไรเพราะว่าอาการของท่านแจม่มใสแล้วก็พูดได้ดขาดพูดได้ฟังแล้วก็แล้วเลยคุณจะเอาไปเอาเป็นเรื่องของคุณฉันวินาพูดความจริงให้ฟังและอาจารย์คนอื่นต้องเฝ้าอาธิบายเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าทําให้เราที่จะเข้าใจอ่ะ แต่ว่ามันไม่ไม่กระทบจิตแต่ไปเจอหลวงวฒเทียนท่านพูดเด็ดขาดแล้วก็แจม่มใสแล้วก็เป็นคนที่พูดน้อยนะไม่ใช่พูดยากมากอย่าตำนานน ะ, ะพูดน้อยแล้วก็พูดที่ฟังเสียว่าท่านไม่ใช่เนิบๆธรรมดาเนนะี่ยเป็นฟันชั่วช ว, ช ว, ช ว, ชวลงไปเลยไม่ได้หยอกล้อเขาเล่นอะไรต่างเอาจริงๆเลยก็เลยติดตามฟังท่านอยู่สามปีเริ่มเข้าใจเริ่เข้าใจแต่ว่ายังไม่เห็นอะไรก็ทํามาเรื่อยๆ การเอาสมมติของพระออกโดยที่เราไม่ต้องการอะไรนี่ยากมากเพราะความยึดมันมีอุปทานเรามันมีทุกคน น, นะนะนั้นเองจุดนี้สําคัญใช่ไหมนั่งหลับตาเหงาไปแล้วนั่งต่อหน้าคนอเห ง, งาไม่ได้นะนี่ยพายยกมือมาแล้วเนะี่ยก็อะไรพราะไม่ตื่นตัวไม่ตื่นโพรง ม, มาทั่งเหงาอย่างเงี้ยหลับตาเหง า, าก็เ็อย่างเงี้ยเอามาก็เป็นเป็นอย่างเงี้ยเข้าฌานเป็นตัวแข็งมาเป็นทั้งหมดทําหงานี่เข้าฌานได้เป็นตัวแข็งได้เลยอะ่ะอา่าแล้วก็ทําสมาธิแบบ อะไรแบบอนาปาเนี่ยเข้าฌานได้แต่ว่าเวลาออกไปข้างนอกเวลาไปทําการทํางานแล้วเนี่ยมันคิดแล้วมีกูมีมึงขึ้นมาแล้ ว, ขลวเขาใช้ทํางานเอ้ผมมันสามารถกว่าท่านานะท่านเป็นสารน้อยกว่าไปทำก่อนดิอือมแล้วเขาใช้ไปทํานั้นฉันเป็นอาจารย์ของคุณนะคุณต้องไปทำํำมันมันมีตัวตนตรงนี้อ่าโยมพาไปทำมันนั้นหน่ะเอ้าโยมไปทําฉันเป็นพระทำได้ไงโยมต้องไปทําเห็นไหมเป็นไม่ใช่ท่านที่ของพระ ผ้าเนี่ยมีสิทธิทพิเศษเยอะแยะตัวนี้มันตัวตนที่พ่อพูนเราเยอะมากเลยนะแล้วก็ทําสมาธิแบบโยมแบบเปรงขามเลยนะนั่นสมาธิแบบพ่อใหญ่นี่หลับตาด้วยแล้วก็ดูสง่างามนะเข่งขุมนะ น, น่าละ น, น่าเก่งขามคือนั่งแบบแบบเขาเรียกแบบพราหมณ์นะนั่งหลับตาแล้วก็คืในคิดอะไรสารพัดอย่างเราไม่รู้ด้วยนะ <laughs> นั่งไปนุ่มฟาพอมันความคิดมันหมดปั๊บง่วงเลยทีเนี้ย แช่วงที่คิดอยู่เนี่ยเขาเรียกว่านั่งตึงอยู่เต็มที่เลยมาเอามามทํามาหมดเรื่องเหล่าเนี้ที่ว่านี่พระมันสมมุติหลายชั้นเนี่ยที่มันยากอะนะจนมาต้องเอาไ้สิ่งเหล่านี้ออกหมดต้องมาเปิดเผยต้องสิ่งอะไรที่มันค้างในออกให้หมดเอามาเลยไม่รับตําแหน่งเจ้าคณะสังฆาธิการในท่าเต่นทุนมาเลยนะทั้งๆ ท, ที่ว่าเขาพร้อมที่จะให้ไม่เอะเพราะผู้ที่เจ้าท่านหนีสิ่งเหล่าเนี้หนีสิ่งเหล่า น, น, านี้เรื่องนี้พูดมากไม่ได้เนะี่ยมันกระทบหลายคนนะ เพราะฉะนั้นพะนั้นเองเรื่องเนี้เราเราต้องศึกษานะต้องศึกษาดังนั้นครูบาอาจารย์ของเราพ่อแม่ของเราผู้มีพระคุณของเราเราก็จะต้องดูแลแล้วก็โยมแม่จะมากันหลังจากที่มาเข้าใจเรื่องนี้แล้วคนแรกที่สุดที่มาคิดถึงคือโยมแม่เพราะโยมแม่เกิดเนื้อหนังทั้งหมดนี้กระดูกสติปัญญามันสมองทั้งหมดนี้ออกมาจากท้องของท่าน เพราะฉะนั้นท่านจะต้องรู้อย่างเราถ้าไม่ถ้าไม่ได้ชิ้นนี้ถ้าแม่ยังไม่ได้เราจะไม่บอกให้คนอื่นไปพาแม่ทําอยู่สามปีนะในที่สุดก็ยังไม่ได้ในที่สุดเอามาพาแม่ไปหาหลวงพ่อเทียนเลยนะไปที่วัดสันน้ำน้ำพอเรื่องนี้อะอย่างไรก็พรแม่กับลูกนอ้องมันใกล้เคียงกันก็เชื่อกันไม่สนิทก็พาไปหาหลวงพ่อเทียนของเทียนก็รู้ท่านถามดื้อตื้นถามโยมแม่จะมาโยม ในชีวิตของโยมโยมรักใครมากที่สุดโยมแม่ตอกเลยรักลูกเจ้าค่ะรักลูกถ้าลูกถ้ารักลูกจริงเนี่ยถ้าลูกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้โยมเนี่ยโยมจะเอาไหมโอ้มาถึงจนนี้โยมคิดหนักเลยเอาเจ้าค่ะอ้าโยมพระลูกของโยมมาให้มาอะไรมาตั้งสองสมปีไม่เห็นโยมเอาสักอันเลย่โอ้ก็ร้องจักเลยเห็นโยมแม่น้ำตาตกเลยโอ้ใช่ ให้ก็เทศเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่ใช่ง่ายนะหลังจากนั้นอยู่ไม่ก็ถึงลงมปฏิบัติอย่างจริงจังยกมือนี่างแกทำไม่นานแกก็เข้าใจเข้าใจรูปนาเบื้องต้นพอเข้าใจรูปนามเบื้องต้นปั๊บทีนั้นไม่ต้องไม่ต้องยากแล้วเบื้องต้นต้องเข้าใจรูปนามต้องเปิดประตูรูปนามไม่ได้คำว่ารูปนามไม่ใช่ว่ารู้เป็นรูปกายเป็นรูปรูปเป็นนามตาเป็นรูปรูปเป็นตาเห็นเป็นรูปรูปเป็นนามหูฟังเป็นรูปรูปเป็นนําไม่ใช่รูปอย่างนี้นะจมูกดมกลิ่น รู้ปเป็นรูปลิ้นริมรถรู้เป็นรูปรถเป็นรรู้ปปเป็นนามรถเป็นรูปรู้เป็นนามลปเลยไม่ใช่อย่างนั้นให้รู้เข้าไปชัดๆเลยว่าในกายของเรามันมีอะไรมีเอาไปมามันเหลือแค่สองอย่างคือมีตัวก็มีความรู้สึกตัวความรู้สึกนี่นเป็นนามและตัวที่เรานั่งเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยตัวเรามันเป็นอย่างนี้ตัวเรามันมีหน้าที่เป็นทุกข์อ่ะใช่ไมนั่งนี่โยมพิชไปกี่ครั้งแล้ว เหนื่อยไปกีครั้งแล้วเมื่อยไปกี่ครั้งแล้วใช่ไหมมันทุกตลอดไอ้ตัวเนี่ยเรียกว่าเห็นทุกเห็นตัวเป็นทุกข์ก่อนแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่ตัวนี้ไม่ทุกคือตัวรู้สึกตัวมันไม่ทุกข์ด้วยนะแต่มันเป็นผู้เห็นอ๋อแต่ตามมูลทีเราไม่เห็นแต่เราเป็นทุกข์เราเป็นผู้ปวดใช่ไหมเราเป็นผู้เมื่อยเราเป็นผู้ง่วงเราเป็นผู้เหงาเราเป็นผู้อยากเราเป็นผู้คิดแต่เราไม่เห็นความคิดเราไม่เห็นความอยากไม่เห็นความง่วงไม่เห็นความเหงาไม่เห็นความปวดความเมื่อยเราไม่เห็นเพราะเรายังไม่มีรู้สึกตัว ตัวรู้สึกนั่นคือตัวเห็นตัวที่มันเป็นอยู่เนี่ยคือตัวทุกข์นะเราเป็นทุกข์แต่เราเห็นทุกข์ตรงนี้เขาเรียก ว, ว่าเห็นอริยสัจเห็นรูปเห็นนามคือเห็นี้คือเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็อะไรอะ่ะมันก็จะกลับมาดูทุกข์เมื่อก่อนมันกลับมาดูเราเราปเราป็นอยู้นเราเป็นอย่างนี้แต่เราก็ยังไม่เห็นตัวทุกข์ทั้งที่เราทุกข์ตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะอะไรตาเราไม่เปิดเพราะฉะนั้นตาเปิดคือเห็นรูปนามหลังจากโย่แม่เข้าใจแล้วมาที่นี้ก็โอตามสบายอยู่ก็ปฏิบัติตลอด ตั้งแต่นู้นมาถึงแบบนี้ยมแม่อายุแปดสิบเกดเท่าปีนี้ละเอาแก่สร้างวัดแกบนเขาวัดอนมาอายู่บนเขานะก็เอาไปอยู่ที่นั่นแกก็มาทําสวนผักให้แนอยู่ข้างล่างแก ก, าางก็ตอนเช้ามารด่นน้ำผักตอนกลางวันมาเก็บผักแกขึ้นลงขึ้นลงมาหลายครัง้งแกเลยแข็งแรงนะแล้วอายุแปดสิบป่าอั น, นั้นเองหลังจากแกได้ไมดนี้ก็ทีนี้เราก็ไม่ต้องาสารทุบผูกดิบกันละแม่จะเอาอะไรไม่ไม่ต้องแล้วแกช่วยตัวตัวเองได้ทุกอย่าง แล้วเป็นแม่ครัวของวัดเอง <c oughs> งานใหญ่ขนาดไหนก็แค่มานนำครัวเองต่นนั้นเองเนี่ยพอเข้าใจธรรมะเราคนมันจะเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจมันจะไม่กลัวไม่กลัวแก่ไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายแต่ว่าแก้ไขความแก่แก้ไขคนเจ็บแก้ไขความตายด้วยตัวเองได้นะให้มันแก่ช้าเจ็บช้าตายช้าลงได้ด้วยมีความรู้สึกตัวเพราะถ้าความรู้สึกตัวนั้นยิ่งใหญ่มากนั้นที่นี้อาจารย์พระอาจารย์ทุกครั้งเวลาจะพาโยมกลา่าบท่านจะพูดคํานี้ก่อนใช่ไหมนั่นแหละ เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านให้ยมทุกวันนะแต่ไม่รู้ว่าใครเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าเอามาว่าเห็นเรื่องสำคัญนะนะเพราะฉะนั้นเราต้องทำในเรื่องนี้ชุดที่สี่นี้ตัวทำหาได้ยากตัวนี้ถ้าใครทำได้ให้ก่อนแล้วก็ตอบแทนผู้ให้เรียกว่าคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นชุดที่สามนี้ชุดที่สี่นั่นเองเป็นแก่นของปัญญาคือการให้และการตอบแทนกันและกันต้อง คนมีปัญญาที่แท้จริงต้องให้ก่อนแล้วก็ตอบแทนเพราะฉะนั้นหน้าแรกทําแค่สี่ชุดเนี่ยตัวฮิลิโอตาปเป็นอะไรเป็นศีลใช่ไหมคันติโซลจ่าเป็นอะไรเป็นสมาธิแล้วก็ทําบุคคลหาได้ยากนั้นคือตัวปัญญาคนมีปัญญาถึงหาได้ยากเนี่เพราะนั้นศีลสมฤทธิปัญญากําเนิดมาจากไหน กำเนิดมาจากสติและสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นเป็มาเกิดมาจากแม่ลูกสามคนคือศีลสัสมผัสที่ปัญญาเกิดมาจากพ่อกับแม่คู่นี้คือสติและสัมปชัญญะถ้าเราฝึกสติสัมผัสให้เข้มแข็งแล้วศีลสัสมผัิปัญญาจะเกิดขึ้นเองถ้าปฏิบัติอย่างถูกต้องนะสติปัญฐานนะสติสัสมผัะเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเจริญสัมผัสมไม่ ไม่ถูกหรือไม่ถึงที่หรือไม่เข้มแข็งตัวศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่เข้มแข็งด้วยเหมือนพ่อแม่ไม่เข้มแข็งลูกออกมาก็เป็นไงฮิโรออนแอพิการใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่เข้มแข็งลูกออกมาก็เข้มแข็งฉลาดชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นคำสอนผู้ดีเจ้าพัดไจพี่ดกทั้งหมดอาจจะมารสริปลุงในนี้นวกูวัตรหน้าแรกไม่ใช่ยุ่มไปเปิดดูเลยพรุ่งนี้นะ ทำอยู่สี่ชุดชุดหนึ่งเป็นพ่อเป็นแม่อีกสามชุดเป็นลูกสามคนคือศีลส้นทีปรรัญญาให้หัวใจดังนั้นคนที่มีปรรัญญาอย่างพระสารลบุญเนี่ยเป็นอัครส า, าวกฝ่ายขวาที่มีปัญญาเลิศใช่ไหมท่านเป็นคนมีเป็นยอดกระตันอยู่หลังจากท่านบรรลุพระรหันแล้วเนี่ยรู้ว่าท่านพระอา ช, าชี้ซึ่งเป็นอาจารย์ครูแรกของท่านอยู่ที่ไหนทางที่ไหนท่านจะนอนหันศีรษะไปด้านนั้นเสมอเพื่อ บูชาคุณอาจารย์แล้วถือว่าเป็นผู้มีความกตัญญูแล้วพระพุทธเจ้าจัดถึงประวัติของท่านพระารบุตรได้มากมายเรื่องกตัญญูมาแทบทุกชาตินะดังนั้นเองเราก็เหมือนกันให้มีความกตัญญูเป็นอยากใช้คาว่าเ ป, เป็นนิสัยแล้วเจว้าปัญญามันจะเกิดเป็นบ่อกเกิดของปัญญาทีนี้คนทั่วไปเนี่ยถือว่ามีปัญญาไหมมีแต่ว่าไม่ใช่เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิ ถ้าเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วต้องเป็นผู้ให้ก่อนให้นี่ไม่ใช่ว่าให้แต่บุญแต่ทานอย่างเดียวนะให้ครบสามระดับหนึ่งให้วัตถุเป็นทานอย่างที่ทุ่มให้กันนสองให้อภัยเป็นด้วยให้อภัยคนเป็นด้วยมีอะไรนิดหน่อยก็อาให้อภัยสาให้คําแนะนําแก่คนที่ไม่รู้คนที่ประมาดคนที่เปียดคบแนะนําใดแนะนําเขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาประมาดตรงไหนแนะนําตักเตือนซึ่งกันอะไกันเรียกว่าให้ก่อน แต่ต้องดูหน้าดูดาวก่อนนะ จ, จู่ไปเตือนเขาไม่ได้น ะ, ะเดี๋ยวดูเรางดี๋ยวมนตีกลับเอาง่ายๆต้องเตือนสําหรับคนที่จะเตือนได้บอกสําหรับคนที่จะบอกได้นั่นแหละเราให้ทำวเป็นฐานนั่นให้ทำใช่ไหมถ้าเราบอกใครได้สอนใครได้แล้วเขาเอาด้วยเนี่ยเดี๋ยโยมมีโอกาสได้ให้ทำเลยละดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะมาฝากไว้ในปีใหม่ปีนีนะ้ขอให้เป็นลูกของ พระพุทธเจ้าพระทธเจ้อมาวัสดิสัมยาันเป็นพระพุทธเจ้ตัวจริงที่อยู่ในตัวของเราก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่ได้มารวมกันซึ่งหาโอกาสได้ยากธรรมายเองก็มาทําหน้าที่เรียกว่ามาทําหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าโดยการนําสิ่งนี้มากล่าวให้ฟังเป็นธรรมทานก็ขออนุมโมทนาใน